ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแท้จริงนับถือจริงย่อมตระหนักถึงพุทธพจน์ที่ว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมญาติบริวารเป็นเรื่องเล็กน้อยความเสื่อมจากปัญญาเป็นเรื่องใหญ่จึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจ ะ, จะเจริญเป็นผู้ไม่เสื่อมจากปัญญา แม้จะเสื่อมอย่างอื่นแต่ถ้าได้ปัญญามาก็คุ้มเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในชีวิตคนอาจารย์วศินอินทศรค่ะ อาจารย์คะอยากจะชวนอาจารย์คุยด้วยเรื่องของปัญญาที่แท้จริงกันสักหน่อยหนึ่งนะคะโดวยว่าใครๆที่เกิดมาเนี่ยนะคะอาจารย์ต่างก็ล้วนอยากเป็นคนมีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ไม่มีใครปรารถนาในความโง่เคลาหลงมัวเมามาครอบครองบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากครั บ, บางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่พอมีปัญญา แต่เท่าที่เราเห็นกันเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าผู้ที่อ้างเอ่ยว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาโดยเช้ ว, ว่าปัญญาทางธรรมด้วยเนี่ยนะคะครับก็ยังคงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูคล้ายจะเป็นความหลงดูดูเหมือนจะไม่ใช่ทางสายตรงที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เราเดินตามนะคะเราจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตได้ไหมคะว่าบุคคลใดจะเป็นคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงปัญญาเนี่ย ความหมายดีน ะ, ะแปล ว, ว่าความรู้แจ้งเห็นแจ้งอันนี้คือปัญญาปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาทำให้เราพ้นทุกข์ได้ที่นี้ว่าปัญญาเราจะแบ่งเป็นสองด้านอันนี้แบ่งเองนะโดยความรู้สึก ค, คือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกนี่เราก็มักจะมองเห็นว่าใครก็ตามดีคิดประดิษฐ์สิ่งใดขึ้นมา แล้วก็นำเอามาใช้ประโยชน์ในทางโลกได้เกื้อกูลทำให้โลกเรานี้พัฒนาขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นปัญญาทางโลกการศึกษาเราเรียนเนเรียนแล้วได้ปริญญาบัตรปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์อันนี้ก็เป็นปัญญาทางโลกเพื่อจะนำเอามาประกอบอาชีพเป็นปัญญาหาข้าวกิน<ะ>แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ย เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการคิดนึกแล้วก็การพิจารณาการเฝ้าดูผลปัญญาทางโลกทางธรรมเนี่ยต่างกันคือปัญญาทางโลกเนี่ยมันดับทุกข์ให้กับเราไม่ได้ดับทุกข์ทางจิตใจไม่ได้เราอาจจะมีวัตถุสร้างวัตถุได้มากมายแต่ใจก็ยังเป็นทุกข์แต่ปัญญาในทางธรรมเนี่ยสามารถดับทุกข์ในใจได้อย่างสิ้นเชิงแก้ปัญหาชีวิตได้ เราจะสังเกตว่าคนที่ประสบผลสำเร็นทางโลกที่มีปัญญามากค่าตัวตายก็มีเป็นโรคจิตโรคประสาทก็มีแต่คนที่บรรลุผลในทางธรรมเช่นเป็นพระอริยะเจ้าจะไม่มีการที่จะเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือถึงกับค่าตัวตายใช่ไหมแต่ว่าปัญญาทางโลกเนี่ยยังดับทุกขธาตุาจิตใจไม่ได้บางทีก็เพิ่มทุกข์ได้ซ้ําไปถ้าไปยึดมั่นถึงมั่นมั่นม<า>ไม่ได้คะ่ะปัญญาทางธรรมเนี่ดับทุกได้ เ น, นี่ยเราจะแบ่งได้สองอย่างแต่พอพูดถึงปัญญาทางธรรมก็ยังมีบางอย่างซึ่งเราดูเหมือนไม่ใช่เหมือนกันนะคะอาจารย์ <c oughs> อย่างเช่นยังหลงติดอยู่ในอะไรบางอย่างซึ่ง <c oughs> ไม่น่าจะใช่ะคะ่ะยังไม่เข้าใจปัญญาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีเนี่ยเราจะแสวงหาได้ได้วยสามทางด้วยกันยังไงคะ่ะการได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นการสั่งสมปัญญาในทางธรรมเหมือนกัน แล้วก็ได้อ่านได้เรียนได้อ่านจากหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นต้นขั้นต่อมาคือปัญญาขั้นคิดนึกพิจารณาหาเหตุหาผลอันนีเป็นปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยะปัญญาอันแรกเป็นสุตะสุตตะมายปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนึกนี่แส่วนปัญญาขั้นที่สามเนี่ยปัญญาในขั้นหลุดพ้นเลยก็เรียกว่าภาวนามยะปัญญา คือการมีสติเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นในสิ่งนั้นอยู่จนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแจ้งแจ้งแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้จิตก็เลยพ้นออกไปปัญญาในทางโลกเนี่ยส่วนมากก็ได้แค่คิดนึกส่วนการพิจารณานั้นเข้าถึงตัวเหตุผลที่ว่าพ้นไปจากปัญหาเนี่ยยังไม่มีแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยพ้นได้จะเสีดูผลจะต่างกัน เพราะนั้นถาหกว่าเรามีความหลงงมงายเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยบางทีมันก็แก้ไขไม่ได้บางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องบางอย่างเพียงแค่เรารับรู้ไว้เนี่ยมันก็สามารถไม่หลงไม่งมไมง่ายได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนอย่างเช่นเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมนี่สาคัญคิดจะไปแก้กรรมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นนะสิค่ะผู้เจ้าตัดสอนได้ว่า ทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมนะกรรมมีไว้เพื่อยอมรับแต่ไม่ใช่มีไว้แก้หรือยอมแพ้หรือยอมจำนนกรรมมีไว้ยอมรับแต่ไม่ใช่มีไว้ยอมแพ้หรือไปแก้ไขค่ะแต่เราสามารถที่จะสร้างกรรมดีคือหมายความว่าเราแก้ไขกรรมเก่าที่เราทำไว้แล้วไม่ได้แต่เราสามารถแก้ไขโดยทํากรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ที่ถูกต้องดีงามเพิ่มเติมได้กรรมเนี่ย ลบล้างไม่ได้หรอกแต่เราสามารถทำให้ลบเลือนได้โดยการสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีเขาไว้ละกรรมชั่วแต่สร้างกรรมดีเห็นมมันทำให้กรรมเก่าหรือกรรมที่เราสร้างไว้ก่อนเนี่ยกรรมชั่วเนี่ยมันเบาบางลงได้ยิ่งเราสร้างกรรมดีมากๆเนี่ยยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะเป็นกรรมดีปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจเนี่ยอยู่เหนือกรรม ถ้าอยู่เหนือกรรมได้แล้วก็แม้แต่กรรมชั่วที่ทํามาแล้วและกรรมดีที่เรากําลังสร้างใหม่เนี่ยก็ส่งผลไม่ได้อยู่เหนือกรรมมายถึงว่าหลุดพ้นไป้จากกรรมกรรมมันเกิดขึ้นที่กายที่จิตเราทํากรรมทางกายก็มีผลทางกายทํากรรมทางจิตก็มีผลทางจิตแต่ถ้าเรามาเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ากายจิตมันไม่ใช่เราเสีแล้วจิตมันก็จะพ้นออกมาจากกรรมชั่วแล้วก็กรรมดี อยู่เหนือกรรมเลยเนี่ยเรื่อว่าเข้าสู่นิพพานเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้หรอกการแก้ไขเป็นการให้กําลังใจค่ะแต่ก็เป็นช่องทางนะคะอาจารย์ที่หลายต่อหลายสถานที่เนี่ยมักจะเอาเรื่องของกรรมเนี่ยมาบอกว่าแก้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาแล้วก็ผู้คนก็พากันไปแก้กันใหญ่เลยค่ะจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่คนส่วนใหญ่จะก ล, กลัวกลัวกรรมชั่ว ก ร, รมไม่ดีที่ตัวเองทำมาแล้วก็พอมีคนบอกว่ามีวิธีนะแก้ไขได้นะมีทางออกนะคนก็จะตื่นเต้น <c oughs> แล้วก็จะพากันไปแก้กันใ <c oughs> หญ่เลยโดยที่ลืมสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าหนทางที่เราจะทํากรรมใหม่หรือกรรมเก่าของเราเนี่ยควรจะทํำยังไงการแก้เนี่ยอาจจะเป็นอุบายก็ไดน้นะ <c oughs> เช่นว่าเราเคยทําความชั่วมาแล้วแต่เรานึกทีไรเราเป็นทุกทุกทีเราอาจจะมีอุบายอะ มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมซะการมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรร ม, มาเจริญสติเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจมันดีขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นการแก้ปัญหาจิตใจดีขึ้นเพราะสุดท้ายสามารถทำให้จิตหลุดพ้นออกมาจากาการยึดมั่นถึงมั่นของกายของจิตได้เนี่ยมันก็พ้นไปได้อันนี้เป็นการแก้แต่แก้โดยการทากรรมดี mm hmm. การไปนั่งสมาธิการไปให้ฐานรักษาสีเนี่ยเป็นการแก้ให้เป็นกรรมดี ไม่กช่ว่าปรุงแต่งกรรมไม่ดีเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได้อะอย่างสมมติว่าไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยเคยไปทำกรรมอะไรมาไว้แล้วก็มีอาการต่างๆออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นการยอมรับยอมรับเป็นการยอมรับใช่ไกรรมมีไว้ยอมรับพอยอมรับแล้วเนี่ยใจยมันก็จะสบายไงได้กำลังใจแล้วก็มีการปล่อยวางถ้าเกิดปัญญาก็คือเรามาทากรรมดีนั่นเอง ทำกรรมดีเพื่อจะให้มันลบเลือนแสดว่าอาจารย์เห็นด้วยเหรอคะว่าควรจะไปนั่งสมาธิให้อาการกรรมของเราเกิดสมาธิเนี่ยทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเนี่ยเป็นกรรมดีนะเป็นบุญนะพระจิตสงบแล้วเนี่ยไอ้ความสงบของจิตเนี่ยมันทําให้อะความคิดต่างๆที่ปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันหายไปได้แต่ในรายกัรเนี่ยบางทีเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดเป็นภาพนิมิตใครก็ตามทําอะไรไว้เนี่ยมันจะมีภาพนิมิตเกิดขึ้นในจิตที่มันสงบ มีภาพนิมิตคือมาหลายอย่างอาจารย์กําลังบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใจใ<ช>เราสงบแล้วมันจะเห็นภาพอะไรบางอย่าง ใ, <ช>ในใจของเราใช่ไหมคะใช่แล้วเราควรจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอ๋อเราก็<ม>ยอมรับสิอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นภาพนิมิต ท, ที่เราเคยทํามายอมรับมันซะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นทุกข์กับในภาพนิมิตนั้นนิมิตน่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ของจริงแล้วเราต้องยอมรับด้วยหรอคะอ๋อยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะมันเกิดขึ้นจริง แต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงเกิดขึ้นจริงนะเพราะเรารู้อยู่ว่านี่เรากําลังโกรธนะกําลังเครียดกําลังเป็นภาพนิมิตที่ไม่ดีขึ้นมาจริงนะแต่สิ่งที่เป็นภาพนิมิตนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้เพียงรับรู้รับทราบไว้จิตมันก็จะไม่ยึด ม, มั่นถึงมั่นในภาพนิมิตนั้นไม่ต้องเข้าไปเชื่อไปอยู่ไปเป็นในสิ่งนั้นค่ะถ้าเป็นภาพนิมิตที่เป็นนรกเราก็จะพิทุกข์กับนรกแสดงว่าเราไม่ได้รับรู้เอาไว้แต่เราเข้าไปอยู่ในนรกหละถ้าเป็นภาพเทวดาภาพสวรรค์เรารับรู้เอาไว้ สิ่งนั้นก็ผ่านไปไม่ไปที่เตศแต่ว่าเรารู้เอาไว้แล้วมันก็ผ่านไปเพราะสิ่งพวกนี้มันเกิดดับทั้งนั้นเราเห็นการเกิดดับเนี่ยมันเป็นปัญญาปัญญาในขั้นสูงสุดเลยเราจะปล่อยวางพ้นจากปัญหาเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาทางกายก็ดีทางใจก็ดีเนี่ยมีไว้เพื่อยอมรับแล้วก็สร้างกรรมดีขึ้นมาถ้าเราสามารถแก้กรรมได้นี่กรรมทางกายคือการเจ็บไข้ได้ป่วย การแก่และการตายเนี่ยแล้วก็จะสามารถเอาชนะตรงนี้ได้สิไปแก้ให้มันไม่ให้ป่วยมันหายโรคนี้ก็ไปเป็นโรคใหม่แก้ไม่ให้แก่พยายามที่จะสร้างกรรมไม่ให้แก่แล้วมันก็ต้องแก่แม้ว่าเราจะตายเราก็สร้างกรรมไม่ให้ตายโดยการใช้วิธีการสวดมนต์หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์สร้างกรรมเพื่อไม่ให้ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีคอะกรรมทางกายก็คือเรื่องของกายจนกว่าเราจะเห็นว่าอ๋อกายนี่มันไม่ใช่เรา และปล่อยวางกายไปซ ะ, ะโดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้กายโดยหน้าที่ปล่อยวางไปกลายมันก็แตกทําลายไปตามหน้าที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์นี่อยู่เหนือกรรมทางกายคกรรมทางจิตก็เช่นเดียวกันเห็นไหมจิตที่มันคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตต่างๆที่เราก็ทํามาเราก็อยากจใจมันคิดดีๆนะแต่ใจก็จะคิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยอันนี้เป็นกรรมของจิตใจใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันอ๋อนี่เป็นเรื่องของจิตเนาะ ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรื่องของจิต ท, ที่มันปรุงแต่งด้วยสติเมื่อเกิดปัญญาว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของจิตแล้วก็ปล่อยวางมันกรรมของจิตมันก็เป็นเรื่องของจิตแต่ว่าถ้าปล่อยวางก็เกิดปัญญาพ้นมาจากอาการเหล่านั้นได้เพราะฉนั้นเนี่ยเรื่องกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาพิจารณาให้ดีกรรมเนี่ยถือว่าเป็นหลักใหญ่ในทางพุทธศาสนาเลยกรรมมีสามอย่างคือ กรรมชั่วกรรมดีแล้วก็เหนือกรรมกรรมชั่วคือกรรมดํากรรมดีคือกรรมขาวเหนือกรรมคือไม่ดําไม่ขาวเอ๊ะเห็นไ่มกรรมชั่วที่ดํากรรมดีที่ขาวเนี่ยก็พอเข้าใจนะคะแล้วเหนือกรรมไม่ดําไม่ขาวนี่เป็นยังไงนี่แหละคือการหลุดพ้นไปแล้วไม่ยึดมั่นสิมั่นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งกรรมดําและกรรมขาวก็พ้นไปที่บอกว่าเป็นหลักธรรมสาคัญที่จะต้องศึกษาศึกษา อ่านฟังหรือพิจารณาดูแล้วก็ลองปฏิบัติเราลองเจริญสติดูเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงตัวปัญญาที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะพ้นกรรมได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ทั้งปวงถ้าเราทํางานทางโลกมีปัญญาทางโลกยังไม่เพียงพอควรจะมีปัญญาทางธรรมด้วยปัญญาทางโลกมีไว้เพื่อสร้างสารรค์โลกให้เจริญให้พัฒนาแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยมีไว้เพื่อดับทุกข์น่านจิตใจปัญญา จะเสื่อมได้ถ้าเราไม่รู้จักเจริญสติอันนี้นะสําคัญใช่ไหมคะสําคัญมากเป็นกุญแจสําคัญเลยสําหรับผู้ที่ปรารถนา <c oughs> ความมีปัญญาเนี่ยจงอย่าได้ละเลยการเจริญสติในหลักฐ า, าเพราะการเจริญสติเนี่ยเป็นบาตฐานเป็นจุดตั้งต้นถ้าสติมาเนี่ยปัญญาเกิด <c oughs> สติไม่มาเนี่ยปัญญาไม่เกิดนะเพราะสติเนี่ยเป็นยานขนส่งเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตปัญญาในทางธรรมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยยาละเลยเรื่องการเจริญสติมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการใช้ชีวิตของเราอย่าประมาทคนมีสติเนี่ยคือคนไม่ประมาทคนขาดสติเนี่ยคือคนประมาทเมื่อมีสติเรื่อยๆเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใหม่ๆก็เจตนาสร้างเอาหน่อยช่วยจิตช่วยใจมันมีสติหน่อยสอนมันหน่อยสอนให้มันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราสร้างขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ย สติเขาจะเกิดขึ้นเองเมื่อสติเกิดเองแล้วเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะของปัญญานำเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตชีวิตเราแล้วก็ชีวิตคนอื่น